เรื่องบุญแจกข้าวกองหดตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภ พ, พโจติปัญโยที่เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อป ร, ริพินธานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเ็นกล้าวข้ออนวยพรเสกสวัสดพิพิพัฒนมงคลความพาสุกทุกประการ จะบังเกิดมีดแต่ญาติโยมพู้ประบริษัทผู้มีความสนใจฝ่ายในธรรมผู้แสดงคุณงามความดีผู้ฝ่ายในบุญเนกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ยังเชืวว่อมเอาต่อจากนี้ไปกันเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวานมิกรท้าคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรม อันเป็นคำสอนในทางพระพุทธาศาสนาแล้วจึงขอ้ท่านหนึ่งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังกะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไป ตามสมควรเก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้กระทํากิจกรรมพิเศษมาที่วัดกันมากมายการรเพียที่ท่านทั้งหลายได้ทําบุญอุทิศศนาทิทานทักษิณานุปทานนักบุญทำบุญให้แก่ผู้ที่ทาบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้ว ทุบาเรบบาด้วยคามแกเข้าวก็น่าะเป็นการกระทาที่ถูกที่ต้องที่น่ออนโมทนาะอันเป็นจวนหนึ่งของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะผู้เป็นลูกเป็นหลานผู้โอกาสสุดท้ายที่ได้มีโอกาสตอบบุญแทนคุณสนองก็คนตามหน้าที่ของลูกทีดีของพ่อของแม่ในทางพระพุทธศาสนา การเราทำอย่างนี้ถูกแล้วชอบแล้วเราเคยได้ยินไดฟังผู้เฒ่าโบราณว่าลูกเกิดมาจะต้องตอบแทนบนคุณพ่อแม่หรือว่าอีกบดยเทพาะ อ, อย่างหนึ่งบอกว่าจริงหนึ่งูกจะต้องตอบแทนคือค่าน้ำนมนัม่นก็คือการบวชทดแทนบนคุณพ่อแม่เป็นการตอบแทนคุณค่าน้ำนมเมื่อเราได้เชื่อกันมา อ, อย่างนี้โดยฟังกันมา อ, อย่างนี้ ต้เวลาชาานานจนจนทึานก็บบอกว่าบวชแทนน้ำนมแม่ว่าวันนี้ท่านตังหลาจะทำํำบุญเจกข้าวอันนี้จะแทนอะไรจะแทนข้าวหรือแทนน้ำํำนมหรือแทนอะไรท่านตั้งหลายคงจะเข้าใจกันครับแค่ถ้าหาตเชื่อว่าบวชแล้วแทนน้ำํำนมพรอแม่ไาย ผู้หญงก็กินนมเหือนกันผู้ชายก็กินนมเหมือนกันแต่เมื่อผู้ชายผู้หญิบวชไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรศาสนาอื่นคนชาติอื่นเขาก็กินนมพ่อแม่เหมือนกันตั้งแต่สมัยเราไม่มีน ม, ม, มกระป๋องคำกล่ารนี้ดูเหมือนจะขับแคบออกจะขับแคบไปนหน่อยเอาเตยใจเราสักแล้วคงเข้าใจว่ามันเป็นความจริงอย่างนี้ทั้งหมดนั้นเขาพูดหวานล้อมจิดใจให้เรื่องผู้ชายได้บวดทั้งนั้นเอง เพผู้ชายนั้นทํามันบื้อและมันเสียหายทําทลายทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทั้งหม่งตะกุ้นหลับศอกตกคอกมีความ้มด่าเม่เจ๊กว่าไปขโมยน้อยรักใหขโมยโตไม่รู้จักบาบุญคุณโทุประโยชน์ไม่ชอประโยชน์วัดไม่เข้าพระเจ้าไม่เมตุ บ, บุคคลเช่นนี้ขาดการอบรมทั้งจิตทางใจมีสมัยก่อนมีหลังสึกจิตฝึกตจอบรมให้คนเคนดีเห็นเยวเคินวัดจำเป็นจะต้องบวชท่าผู้ชายนะผู้หญนนั้น กันนพวกที่อ่อนโยนว่า น, นอนซ้อนง่อายชั่วกลัาบาปนู้นซื้อมาทําบุญ เ, เห็นไหมเนี่มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นผู้ชายมือ น, น, น้อยถ้าผู้หญิงชั่วยวางเก่งไปเป็นตะลี่เทานั้นแหละไม่รุนแรงเหมือนผู้ชายชั่วแต่ผู้ชายชั่วมันเดือดร้อนไปทางบ้านทั้งเมืองไปชั่วมาก คนโบราณจนหวานล้อมไว้แต่ไก่ที่เรือกว่านเพือเนื้อให้ตกไตก็เพ่งพอดีพาพาบวชเขาฟังจบไวแตไก่ก็เลยบอกว่าบวชจริงจะได้แทนบุญคุณพ่อแม่แทนข่าน้ํานมไม่เชนั้นตอบสนองไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ชายยิ่งกระเพมีิบวชไม่อบวชแล้วก็ยิ่งจอบรมบำรุงใจจากกูบาอาการเดืยดรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมีเฉลยปโยชนผู้ชายก็เลยจะกลายเป็นคนดีและมีชันวันมีโอกาสชั่วเมื่อเป็นอย่างนั้นดอก ความีริงทางพุทธศาสนาท่านจะไปหาจนตายในพระไตรปิฎกสี่สิบห้าเล่มท่านจะหาไม่พบว่าพระพุทธเจ้าบอกผู้ชายบวชถึงจะตอบแทนข่าน้ำนมพ่อแม่ได้คําสอนในทางพระพุทธศาสนาีะต้องเป็น cross มิติยันเป็นศาสนาสากลคือผู้หญ้งก็กินนมผู้ชายก็กินนมและตั้งตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ค่าน้ำนมได้เหมือ น, นกันเท่ากันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า บุตรพิดาควรกระทำกับบิดามารดาด้วยสถานห้าหนึ่งท่านเลี้เรามาแล้วเรียงท่นต่อมีประการกระทำในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เชืฟังให้ดีสองการทำกิจของท่านสามรักษาชื่อเสียงของท่านที่ดำรงรงตะกูนช่่ยฟังคำของท่านดำรงงตะกุนห้า เมื่อ่านเรืองรับตล่าทำบนอุทิศให้แก่ท่านาอันนี้เป็นลักษณะสากลทุกชาติเอาไปใช้ได้ทุกศาสนาไปใช้ได้อัานเรื่องม า, มาเราก็เรื่องให้ตอมตั้งแต่ท่านยังไม่ตายเมื่อมีชีวิต อ, อยู่ด้วยกันชื่อฟังคำสั่งสอน ข, ของท่านนี่คืตอนที่ท่านยังไม่ตาย ประพฤติวาดำรงบ่งตระกูลหลักษาเกียรติยศเฉลิมพระพันนี้กระทาเมื่อท่านยังไม่ตายซีก็ทำเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านยังไม่ตายท่นใช้อะไราทาอะไรก็ทาเมื่อท่านตายไปแล้วเราก็ยังทำได้อยู่กีกบที่ท่นานป่าพนานำะแล้วเพความสุ่ใของท่านถึงเป็นนี้พัน ท, งท้งก็เลยช่วยใช้ให้มันหมดข้าท่าน ล, วล่วงละบนทาบุญอุทิศให้แก่ท่านอันนี้ทาได้เฉพาะเวลาตายเท่านั้น เหมือนในขณะนี้ผูเ้เป็นลูกเป็นลางกำลังทําในสิ่งที่ถูกที่ต้องแต่พอแก่เม่โอกาสที่จะเรีย้ยงท่านก็ไม่มีแล้วพระท่านตายไ ป, ไปแล้วไม่ไมีโอกาสเดียวคือทําบุญอุทิศให้แก่ท่านนี่ฮอันนี้พระพุทธเจ้าพูดจึงไม่พูดขาทั้งผู้หญิงผู้ชายอไอ้ที่พูดไว้เราบวชแทนน้ำมนมนั้นเป็นคําพูดเผื่อเอาไว้เตือนเอาไว้กลัวลูกผู้ชายมันจะชั่วมันจะโง่มากถึงขนาดว่าบางครั้งตายปั๊บ ก็ให้บวชหน้าไฟบ้านละลัวบวชตื้มคนเวลาณเขาบวชสุภาพวันเป็นอย่างน้อยจนแก่ข้าวจนหิ้สึกใ น, นกรณี่บวชจนเจิดึิงวันแกข้าวอย่างวันนี้น่้นถ้าเจอครูบาอาจารย์ดีๆก็าจะรับการอบรมบมนิสัยเห็นพระมีวัตรฝอารามดีๆพระสงฆ์องคาเจ้าที่บวชดยู่ก่านนั้นก็จะเป็นตัวอย่างพาศพพาทําตืนบุกลูกช้าทําสามาที่พันา บางคนมีบุญญาบาลามีมีสามาธิเป็นอินทรีย์หรือสามาธิมีในขณะที่บวชตูนไปจนถึงวันแจกข้าวเนี่ยอาจจะได้พบกับสามาธิอันล้ำลึกหรือบางคนมีพรตบัณฑ์มีบุญวตตัตนะกับตาทิการมาก่อนอาจจะได้เ่ึกลงไปถึงขนาดว่าได้ไปพบกับพ่อกับแม่บิดยานุพ่อกับแ ม, ม่อยู่อย่างในในขณะที่มุงสามาธิจิตใจสงบ แต่โนี่หาธรรญาหยอดตามากพูดถึงรวมสมาธิเยาวาตัโยมเลยพระก็ยังไม่สนใจจะเทิดจำมาที่ฝั่งเกาะเฮ้าง่าม่าพร า, า, า, า, พายอย่างนี้บวชห้าจุดปีขี่จำทัมปัสจานายานก็นเหมืเกิดะเบิดเปิดเปิงกินข้าวชาวบ้านเอารับเอาเปียกชาวบ้านพอเล้ ง, งหวนในได้กกลบโดยไม่เป็นญยาเขาโนก่าเขาโนเปิดมาทําลายข้าวดีๆตายไป ยังปนปูุ้กจากข่าวดีเลยทำให้น้าเสียหายทำมิสระชนะส่วนไปอย่างนี้เพราะนั้นวันนี้เป็นการการะทำที่ตรงติดต้องแล้วเมื่อเก็บดูเก็บเยี่ยมเสร็จเรียบร้อยในกลางคืนถึนตั้งกองบุนมีมรณพระไปสวดเจริญพุทธมนต์ประลุตะมงคลเมื่อคืนก็ได้เทศไปเล่าในร่วมมงคลต่างๆแล้วก็เป็นการการะทําเป็นมงคลเอกอันุ่ง ในมงคลสาสิบประการในการแจกข้าวนี่โยมมาตาปุตตกปทานาปุตตาราสั้นกะโคอนากราจะกรรมันตาเอตมังคามุตตมังการมาอุปทาครับเทวบิดามันดาตั้งแต่เกิดมาท่เลี้ยงมาจนถึงท่านตายลงมาทําบุญให้แก่ท่านอย่างนี้เราเป็นผู้รู้จักกัตัญูเนี่ยกัตัญูตาเนี่ยเป็นมงคลเป็นมงคลเอตมังครมุตตมังนี่ก็เป็นมงคลคือคุณงามความดีอมพลศูนย์สุด เมื่อคืนได้พูดไปแล้วเช้ามาท่านทั้งหลายเกาะมาทําบุญที่วัดกระบังเหนือพักข้าวว่าเพื่อววจะได้ถวาอัปบริขารจะทําเป็นกองฝึดเทลาพิเศษอแต่มาคงไม่มีเวลาพูดไปถึงวันเทลาพิเศษและหากมีเวลาพอจะได้เล่าหฟังบ้างเพื่อความเจริญทางทจิตใจเข้าใจในข้อที่คิดคิจที่ทำคําที่เก่าของท่านทั้งหลาย กานทำบุญที่ส่งกุศลให้แก่ผู้ที่รวงรับดับขันเบลานีเป็นประเพณีของคนที่มีอารยธรรมที่มีวัฒนธรรมมาตั้โบราณบบโบราณโบราณนานมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเขาก็ทาอย่างนี้ในประเทศอินเดียในประเทศอินเดียที่เราชมบูทวูอันประกอบโแคว้นต่างๆทั้งสิบหกแคว้นตั้งแต่เมือง ก่อนน้นเป็นกลุ่มอารยะธรรมที่ยุ่งเรืองใหญ่โตก่อนชาติอื่นพร้อมๆกันกับประเทศจีนคนเราเมื่อเป็นลิงเป็นข้างต่อมาเป็นผู้เป็นคนหลังจากอยู่ในปา่าก็มาเป็นคนบ้านหลังจากเป็นคนบ้านออกมาเป็นชุม น, น, นองเมือเป็นหมู่บ้านขึ้นมาก็ต้องอาศัยลุ่มน้ําเพราะปูกเพราะกินพืชโดยธรรมาชาติมันไม่ไหวคนมันมากขึ้นตนเมื่อร่างเมื่อพออยู่พอกินก็ต้องรู้จักปลูกไม่รู้จักปูกปก็ต้องอาศัยเมื่อมาอาศัยเมื่อมาอยู่ตามลุ่มน้ํา เขาเยียกว่า civilization of Bangalore อาระยธรรมลุ่มแ ม, ม่น้ำในโลกนี้จะาทำมางล้อ่านประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในหลักอมนุษยวิทยามนุษย์ก็จะอาศัยลุ่มนม้ำนอกจากาอย่างนี้มนุษย์กลุ่มแรกก็รุ่มแม่น้ำสินธุและรุ่มแม่น้ำอินาัสของประเทศอินเดีย ต่อมาก็รุ่มแม่น้ําค้งโค้งเชื่อมนี่ยิ่งใหญ่อุอาเรยะธรรมที่ยิ่งใหญ่แต่ยังไงก็ตามรุ่มแม่น้ําโข้งของเรานี่จะยิย่งใหญ่ไม่น้อยดีไม่ดีก่อนนั่นเมื่อเขามาค้นพบวัตถุ บ, บ้านเชียงสร้างสละคักพังสร้างฝังไว้ในบุนของคนโบราณบ้านเชียงก็ย้อนหลังไปเจ 1800, ป็ดพันแปดพันปีอาเรยะธรรมรุ่มแม่น้ำโค้งทีเยเราว่า c o f h o l word เนี่ย อ, รอาริยะทาล่มไปน้ําโขงเนี่ยก็ไดเจริญรุ่งเรืองเพสที่อื่นเอาละเราไม่มีเวลาพูดเราไมษย์เป็นมนุษย์หลังจากเป็นคนป่าคนเดินแล้วมาเป็นคนบ้านอยู่อันเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาเนี่ยมนุษย์ก็เริ่มมีวัฒนาการชาลาขึ้นจึงพี่นามบาพูดตายไปแล้วก็ยังวนวนวนวนอยู่รอบบ้าน มีความคิดอย่างนี้วิญญาณนั้นยังไม่ได้หล่องลอยเป็นไหมยังอะไราอาวอนเก่าท่พูทธีเิ่มหายตายไปนี่ยังอาไราอาวอนพุทธียังดูคิดทั้งโลกทั้งเงี้ทั้งคล้วมันบนยังวนกระโดดแต่งข้าวแต่งเนื้นให้อยู่ให้กินเมิ่อกับคนเดียวไม่ตายเนี่มีเรื่องฉลาดขึ้นมาขนาดนี้แหละก็เลยมีซานมีอะไรขึ้นมาเลี้ยงู้ทธิตายไปแล้วปลูกบ้านปลูกช่องหลังไม่น้อยให้อยู่ตอนแม่นั้นมนุษย์ตายไปก็เอาไป เอาไปทิ้งไปทิ้งใช่งไมก่อนโน่นไม่นิยม อ, อะไรมากนั้นดอกเอาไปทิ้งเฉยๆนังน่งๆเข้าก็เอาไปฝังประมาณสักเจ็ดพันขึ้นมาเจ็ดพันไปย้อหลังไปในคนฝังฝังโดยเชื่อว่ามีเลกอีกโลกหนึ่งตายไปแล้วเนี่ยมีอะไรก็จะเอาสิ่งนั้นติดตัวไปใช้ ในขนาดที่เอากันไปฟังก็เอาโทรศัพท์เครื่องเือนเครื่องชามของอยู่ของกินเครื่องใช้ไม่ซ่อยไม่กระสังช่างมาโครกระเบือฆ่าฝังลกไปโดยกันถากเป็นเศษที่เป็นพระเจ้ า, าไผ่นดินอย่างที่อ่าศพอยู่ในพิณามิตนอยู่มัมมี่สีดองศพเอาไว้ในประเทศอียิปต์มืใครเรยรูปนใบ น, น้าในนัเราจะเห็นเขาฝังลงไปร่วยเพชรจินดาอย่งบ้าเชียงนอกเราเนี่ย เราจะไปเห็นเขาคุดลงลงไปฝังคนเขาฝังแล้วเปนเดินใ น, นดินสูงขึ้นมาหนึงสองเมตรกว่ามี่ถุยท้ชามให้ลายเสื่องใช้มื่อช่อยลูกเด็กเล็กเด็กเเดินช่างเมื่อฝังลงเตาบีบตางก็ถ้าควานมื่กลับเอาไปใช้อีกมวลหนึ่งนั่นแหละในเมือจีนก็นิยมทำอย่างนั้น แล้วต่อมาเวลาทําบุญอูที่ให้นก็เอาสิ่งที่คนชอบแม้แําเมืองจีนอย่างทําพิธีกรมเต๊กทุกวันนี่ทุกวันนี้กรมเต๊กทำลูกนั้นลูกนี้เผาไปให้ทิ้งไปให้ทําพิธีกรมเต๊กนดี้มีกรทั่งโทราทัศทำลูกโทราทัศลูกตูดยนนาอะไรในกรงเป๊กใจก็ไปเผาก็ไปเหมือนกบับวันในเมืองผีมีสถานนี้โท ร, รทัศถ่ายทอดเทพผีดูอะไรครับบอกนั้นเอง เนื่องจากความคิดของคนเป็นๆเนีย่ยมึงผียังยูอย่างไรมึงคนเป็นๆเป็ น, ป น, นบนื่อไงมึงผีก็คงจะเป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อตายไปแล้วเผายังไม่เผาเนี่ยฝังอย่างนี้ก็คิดถึงกานเอาอะไรไปให้กินเบื่อคิดถึงคนตายที่จบใครโดยตัวกว่าคนตายมาทา้ามีมีวิญจงวิญญาณเจ้าถุงจเจ้าผาเจ้าตาเจ้าเขาคนตายชอบกินอะไรคนเป็นก็เอาสิ่งนั้นไปลุ่มกาเอาใช้ สาใจกะตาใจกะตาใจปากห้าใจกาดด้งแต่เลื่อนไปพูดบุบบุบไม่กระดูอกินเจโนมผิดน้องเมล์อะไรเนี้ยถ้าคิดเราตัวเองทําผิดเมื่อเกิดความสบายใจบันทิดบันกะดีไปผีคนไทยก็เลี้ยงเงินเล่าให้ไกโต้ผีคนลาวถ้าผีคนไทยก็ อาหารไทยข้าวเจ้าเนี่ยของดีๆกับพี่คนจริงก็หัวหมูบายสีน่าล้เตี่ยนะว่าเอามาให้ลือล้อเลี้ยวรื้อจักกินเกาะกินแล้วก็ยังมาเบิกเบิงหลุกลังนะโดนไ ล, ล่หลูกลางังขำมังลีเนี่ยค น, นจน ร, ริงก็หัวหมูบายสีแพิผีฝรั่งก็ขำน้นงตังขอดดอกนมเนอยอะไรตามใจที่คนชอบนั่นแหละความจริงคนตายยังไม่รู้เรื่องอะไรอะคนเป็นชอบออก็ไปทําให้ต่อมาฉลาดขึ้น ช้าเล่าขึ้นเลิกฝังคิดถึงกันมาเอาไปทิ้งไว้ในป่าชาเฉยเฉยเมื่พอพศประมาณ 4,000-3,000 ปีเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเจพันสองพันปีเขาไม่ฝังเขาไปไปวางไว้ป่าชาเฉยเฉยในป่าชา เอาคนตายไปไว้ตรงนั้นคิดถึงก็ไปดูกันเช้าเย็นเช้าเย็นจนมันคืนอืดพองติยตาทะลออกนอกเบ่าน้ำนองโดนเลือดไหลเยอะเน่าเหมอง ว, ว, มวันตอนเหมือนคึ้นแต่ก็ยังไปพูดไปจาเอาข้าวเอาปลาไปให้ผัวตายนีุ่มของเล่นโฉบขาดง้ามึง ม, มัวรำมัวรองพล่ง ม, ม, มันฟัง ไปส่ง เ, เอ้แถวเอ้ไปบังมัวบังควรยบังหล่บังหลานบังไฮาบั ง, บ ง, บงนาเขาเด้อเจ้าตายเป็นปีนี้เป็นพรนกัตริยสุธิมวกถึงห ล, นลานเด้อผูดเอาเองเออเองเนือยนั้นเมื่อนานๆ เ, เ, เข้ากระ ด, ดูกนั้นมันเน่าป่วยผุพังแล้วก็เหลือแต่โคงตาดูนัมืนั้นเข้าความคิดถึงไม ไ, ไอาบอนก็เจอก้างลากันต่อไปมันเป็นกฎธรรมาชาติคิดถึงก็ไม่นานใน่วงนี้โลกรมจ นักหนักข้าวเขาปกองในป่าชาเขาไม่เอาข้าวไปส่งคนตายทุกวันเหมือนแต่ก่อนแล้วเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนมาเมื่อสักสามพันปีไหมอันราเอาข้าวไปให้คนตาย ท, ทุกวันทุกวันที่ถึงเวลาเราเอาไปให้ก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเอามาปีนหนึ่งให้ครั้งหนึ่งไปีหนึ่งให้ครั้งหนึ่งให้อย่างนไง พอถึนเดือนเก้าดับไปชั้นเดือนสิบเต็มเดือนคนอินเดียก็นนย ว, กว่าทําำไ้ทํามาเหมือนกับเหล่านี้ในช่วงนี้ข่าวกําลังตั้งท้องกําลังเป็นหน่มเป็น้าวปูปลาหาได้ง่ายลึกสอนห่อนเหงื่อลงทงลงทงหาหาปูหาปลาหาได้ง่ายเดือนเก้าเดือนสิบมาตัดมาหอมผลหมากลากไมอูมร่มสมบูรณ์เป็นหมากเป็นผลหมากพิพวนหมากซีดามาคายเข้ามาเกลือเอาเปีมาคงมะละกออะไรตจา ง, จง มาเออ e, มาเผาเออ e, มันหาเลยมากผลมา้มันเป็นมาสมัยนี้ผ อ, อ, อกเนาะผอกเลียนอะไรต่างๆถ้าเป็นประเทศไทยเยอะในช่ซึ่งนี้ก็เลยมาคิดถึงคนที่ล่วงรับดับต่อลกวก็เลยพากันทําบุญอีกวิธีหนึน่งนีเริ่มนะความเป็นมาของการแก่ข้าวคือหาเป้าอาหารหวานข่าวทั้งหลายต่างคนต่างก็นัด ก, กันพร้อมกันออกไปทําบุญในวันนี้เรียกว่วารฤดูสละถะ ิดูสระทาคือแจกเขามือแจกเขามือหาเอาอาหารวันขาวหนึ่งเดือนในระยะเดือนสิบจนเป็นเดือนที่คิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์คิดถึงโลกถึงเต่าคิดถึงโว้ถึงเมียปู่ ป, ปูป่มีคนผู้ที่รักที่ชอบที่ล้นหายตายไปในขณะนี้อูาาร่มชบูนหาปลาหากบหาเสืออะไรได้ง่ายบ น, นมากหลากไม้ ก็มีเยอะงานการก็ว่างสบายก็ไม่ได้มีการปลูปอดปูกมันมันมีโรงงานอู่ซากันมีการนั่งคอยนอนคอยข้าวเกี๊ยวแล้วจะได้แก่แล้วจะได้เกลียวเนี่ยในช่วงนี้ว่างก็ว่างกันเลยทาบุญอุทิศเอาข่าวปลาอาหารหาไปกรองที่ผีป่าชาประเดินเทือกในประเทศเลือกเขาเรียกว่าฤ ด, ดูสรารทะพวกความก็ก็เขียนซื้นมาอีกด ว, วันลดูนี้เริ่มเดินสิบทศมาเสดเดือนสิบ พเราไมา่ในโรงพยาบาลยพบานด้วย ป, อ ย, ปอยเปิดที่ไม่ได้เคอทําบุญทําทานเอาไว้บอยเปิดต่อจากมาลกขึ้นมาหนึ่งเดือนให้มาเยี่ยมญาติมื่อกล้าจะทำให้จับวันพบญาติขึ้นมาพวกนี้ก็จะสงสารมามาหาพี่หาน้องคนเป็นไม่สามารถจะรู้ได้ว่าคนตายไปไหนเพราะมันอยู่คนละโลกคนละมิติเหมือนกับคนที่อยู่บ้านดูช่อง ผัวไปเมืองนอกซาอุดีอาราเบียซาที่ไหนก็ไปต่างจังหวัดคนที่อยู่บ้านก็ไม่สามารถรู้ว่าคนที่ไปนั่นไปไหนมาไหนอยู่ยังไงกินยังไงเพราะไม่ได้ไปตามดูแลก็ไม่รู้จากที่ไปที่มาผู้ที่ไปซาอุดีอาราเบียไป อ, เ, ไปอเมริกาไปต่างจงังหวัดไม่ให้จะไปอยู่ไหนก็วันคิดได้ยังรู้ได้ว่าเออขนาดนี้ลูกกาลังอยู่อย่างนั้นเมียกำลังอยู่อย่างนั้นผันกนนว ก, กำลังอยู่อย่างนั้นบ้านเรากําลังเป็นอย่างนั้น ช้ามาอย่างนี้พ้ากองจตีโตงออกมาบิน ท, าท่าบาทเหมือนงั้กระชาบ้านแล้วก็คงออกไปทําไรทำงานาถ้าเป็นเวลาฝนก็เป็นหน้าเกี่ยวปั้นนี่ก็คงไปเกี่ยวข้าวกันสนุกสนานปั้นนี่อาบุญกาทิ้งเลิกได้ผู้ที่จากไปแต่ผู้ที่อยู่ที่นี่ไม่สา ม, มารถจะรู้ได้ว่าผู้นั้นไปไหนฉันเราผู้ที่ตายไปแล้วก็ตามก็ย่อมสา ม, มารถจะรู้ได้ว่าเอ้อพ่อแม่พี่น้องลูกผัวมียอยู่ตรงไหม พอเขาหยุดให้เขาเปิดให้ทุกอย่างลำบากลำบนเป็นเปิดเวท น, นาอยู่ในนานลูกหลุมไหนก็ต า, ามพอเปิดให้มาเยียบยากก็รีบเปิดนะัถึงบ้านเลยเนี่ยไปดูตามสาลาตามถ่าน้าําไปทํายู่รอบบ้านรอบเลนหาพี่หาน้องคนระับพ่อหาแม่ยังไม่เห็นยังไม่รู้ก็ไปที่วัด ไปรอคอยช้าบ้านก็ทําบุญสัลตะสมัยโบราณอินเดียเขาไปทิ้งป่าชาต่อมาพระพุทธเจ้าเทเขาก็เลยมาเอาทําบุญข้าวสารข้าวประดับดินเนี่ยไปทําห้อยขอหน้อยสำหรับแปดที่พี่น้องล้งลุ่มก็เลยเอาไปไหวของห้อยเอาไว้ทิ้งวันนี้เราไม่ลืมเราตรงใจที่จะทำเรื่อว่ า, พ, าพูกผ้าเตยตะพิงทาบุญอุทิศให้พระพุทธหลวงรับไปอย่างวันนี้ พวกนี้ส่งตรงไปเลยเหมือนบอร์สการ์โกเหมือนส่งอ่าธานานัทไปสันนเหมือนส่งทศรุปไปสณีตรงไปให้ปุติจากไปเรื่อยๆในรับอย่างนั้นแหละทีนี้มันเป็นอย่างนี้คนอินเดียเขาเอาไปกองไว้ดำป่ายชาไปนินเทินทักหนึ่งเดวอพวกอาหารบ้านข้าวข้าวแม่ทุกปลาญยาดพวกนมพวกเนยพว ก, พว ก, พวกตัวพวกงาพวกอาหารชาวอินเดียชอบชอ บ, ชอบนี่เขาไปกองไว้ เพื่อให้คนที่ตายไปได้กินเขาเรียกว่าแจกข้าวูทั้งหนึ่งเดือนหรือดูสระทะเดินถึงฝนตกมาน้ำไหลพัดนี้บั้งม้า ก, กินบงังตา ก, กินบัางมดกินบั้งไบบี้ประโยชน์อะไรแต่เขาเชื่อว่ามันมี แในส ม, มัยนั้นพระพุทธเจ้าเดจจตตลูมีบริวารมีสาบ ก, กหมากไม้ไก่กองแล้วท่านก็บอกว่าพิสุท์ทั้งหลายป่าชาเป็นสวนดอกไม้แห่งพระ อ, อรหันต์สวนดอกไม้แห่งพระอริยะเจ้าอันความงามมีอยู่ตามงองสร้างผีอันความมีอยู่ที่ละความเป็นพระอยู่ที่จริงเธอทั้ ง, งหลายไม่ป่าช้าหาดอกไม้นะเห็นไหมละ่ะดอกไม้คืออะไรคือความชุ่มฉ่ำงดงานทางธรรมงดงามทางธรรม พระสงองค์งเจ้าก็เลยไปเลรลลลลลอบว น, น, นดูที่ป่าชาหนึ่งพระจะได้เห็นคนตายสากศพเน่าเฟะน้ำหนองไหลนอนจุๆๆ๊ยยุยนั่งพระจะได้ไปพิจารณาเอาผ้าที่ห่อศพมาต้ม ท, ท, ท, ทําจะบงทาจีบรแต่ไม่กลัวมันมีโรงงานทอผ้าเทืกไทยอย่างพวกวันนี้แล้วมันมีโยมถวายเป็นพื้นๆต้องเอาผ้าที่เขาห่อคนตายนั่นเลยเอามาต้มในละอาจึงมาย้อมมาตักมาทำจีวร เขาเลยไปเดินวนวนวนวนวนรอบป่าช้าเห็นคนตายทีให้เป็นสวยงามแค่ไหนกำลังจิตใจกำลังราคะกำลังนึกถึงเก่ยยๆๆ า, า, กสาสมัยสวยๆปากแดงๆคิ้วโก่ง ๆ, ๆ, ๆหน้าหวานๆตาหวานๆเดิม ๆ, ๆพอไปเห็นคนตายแล้มันหมดอารมณ์ใช่ไหมละ่ะมันไปทํำลายทําลายความนึกมันเตัวมันดังาราคะทำพอไปเห็นคนตายที่พากลไปเอาผ้า ไปเหนือลมไปใต้ลมมันเหม็นเหมนก็ไปดมผ้าออกมาไอ้ยังอาจจะมาพาโบโออาจจะมาภาพร่างตายนี่นาะมารู ป, ปังประกอบโดยนามการพูดนะ้าพูดเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยแบบอย่างนี้ทุกข์ขันนี้จังงั น, นาตาประกอบเรว่ความทุกข์นานาปางการอันนี้จังไหม่เถียงนะตาไม่ใช่ตัวตนเรือมาแล้ก็เลยตายอย่างนี้ ก็เลยพูดต่อไปว่ามรแลนะธรรมโมหิมรนังอนันติโตโออเรามีความตายเป็นธรรมดายอย่างนี้เนะนี้จะพความตายไปไม่ได้ดึงผ้าที่ออกมาเหม็นเถ่อเมือนวันตามเหมืองิก็พูดต่อไปว่าโอือวังพาวีออวังอนันติโตเราควจะเป็นเช่นนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราควจะตายเหมือนกันเหมือนคนนี้ แล้วจะเดินห้าออกมาอีกหันตาหันกัญญาณังกันโลมิกรเยดวจามนัสสาวเธอเราจะรีบทําคุณญ์เนือความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะกตายเหมือกับคนนี้อัคเทรวกิจมาจตั้งอัคเทรวกิจมาจตั้งโกชัญญามรนังโสวยความดีความผูกพ้องความภาคภูตเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้อาจจะตายเหมือนคนนี้ ในฮิโนสังคารันเตนามะหาเสนเนนามั จ, จุนาะเราไม่สามารถจะพัดเพี้ยนกับพยายมามพักราดผู้มีเสนามานมากเขาจะรีบทาความดีก่อนที่เราจะตายบางคนนี่นี่มันก็ได้บุญได้กุศลได้ความรู้ความเข้าใจพนินาโปงเตวังในชีวิตหลงก็ไปยึดมันถือมัน่นแล้วก็พองา์มาต่อไปอนิจจาวาเดสังฆราปถวายาธมินโนปจิตวานิรุชติเตสังมุป ส, สุขโมโสโค สังฐานตั้งหลายเหนืเทียนน้มมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่ไปเกิดขึ้นแลว้วก็ดับไปเป็นธรรมดาการก็ไปสงบลงสังขานตั้งหลายเสียได้ก็ไปอยู่เป็นโฉมกายสังขารจิตต่างานี่มันลังงับแล้วก็เด่นเอาผ้าเนื้อห น, นัง ดวงตาเคยกลมคมวาวเดี๋ยวนี้ต้องทะล้นออกมานอกเบ้าเห็นไหมละ่ะเนื้อหนังเต่งตป็กันหนึ่งผีแต่งบัดนี้ไม่ใช่เฮียยต้องแต่งยานตรงเตงธรรมดามันเน่าเฟเหม็นจะน้อนให้พรทิพน้าพิรักรนกันกมาแก้ผ้าเดินมันนี่ก็ไม่ได้สนไหวายหากทีออกเร้วหน้ามันก็ได้ทํามะ ดึงผ้าเอาไปได้พามาทําจีบอนด้วยได้ธรรมะด้วยปงอันนี้จังสังเวชในเมืองพระเดียวนี้ได้ยินเที่ยงทรณีกันแตงก็รีบบอกนีนองอุสลาเวกัวจะลงเป็นถึงกุตระันธรรมากุตละหันธรรมานิจาระสังฆลาปทวายเจ้าธรรมีโนบุเชษวานีชุชนติตเตยังโบูบาตบูโลกโเอามาไปอ่อนสอนบงจักทพกันเลยทางกูเดบูังไห่เงน อภิญญาหั้นสอนอย่างนั้นทีนี้เรื่องรำก็เกิดขึ้นในเรื่องแจกข้าวในเดือนสุขเขาเอาอาหารบนรขาใบกองบัรเดินเดินเดืกเดือกในป่าชาพระส่วนมากวนเวียนวนเวียนอยู่ในป่าชาทุจรนาทำผ้าผ้าไปด้วยทําให้คลายความกำหนัดได้เร็วไม่ใช่ทุกวันนี้เป็นธูดงจะต้องไปเดินธูดงกูในเมืองแล้วคนสมนัยนี้มันไม่เป็นดอกไม้แห่งพระ อ, อหรหันต์แต่มันเป็นดอกไม้แห่งพยามาร หนาวเกือบตายตันมั่วอกผู้หญิงสาวนุ่งกรเกงขา่ันตันชาวสุภาพหายยิ่นเมื่อไรนำมาใส่บาทหนาวเกือบตามันยั่วยุนควประสาทสตูมีเลผ้าให้ยักสึกเปลนรูสิบผลเพราะฉะนั้น การบินบินธบาตในเมืองเห็นผู้สาวขาเขาขาวเหนาหนามันหนุ่งกระเกงขาสั่นไส่เสื้อคล้องลุ่มๆเหมือนคนเหนานมบุญมาใส่บาตรให้อย่างนี้ขับไปอยู่ในป่าช้าเห็นคนตายเหน่าเฟ้นอนจุ้นยื้ตาพลนลิ้นจุกปากออกมาอันไหนมันจะทำให้จิตใจอยากจะบวชนานๆกว่ากันก็ลองคิดดูเด๋ยนี้มาไหวเสือโยนไปกินหัวพระจนกว่าหมดเหนาเหน่ากือบตายใส่กระเงขาสั้นมาใส่บาตรนี่มันเรื่องอะไร นั่นคือดอกไม้ของพยามารทํำให้พระสมองค์เจ้า ล, ล้มละลายให้ชาวบ้านนั้าานคดีอาชญากรอาชญากรรมเกิดขึ้นดูดีๆไม่ชอบอวดไม่เป็นหมอเนือ่อไม่ได้เป็นพัดนวดไม่ได้เป็นหมอเนือ่อไม่ได้เป็นพันดเน่าไม่ได้เป็นหมนอหนวดแต่ดันมาอวดขึ้นไหนยั่วยวนกลวนเกลเลอทเกิด ส, สตูมิเลตอิมโมชัน่นขึ้นมาเป็นอย่างนี้เรียกว่านางเบ็ด นี่จะเ บ, บ็ดที่จะห้อยเอาจิตเอาใจคนอื่นเป็นโซ่แดีทางวิญญาณเอาผ่านไปทีนี้เป็นยางไงผ้าก็เลิกบนเรือนอยู่เร่ป่าชาเพื่อจะบงธรรมะาอสาุภกรรมฐ า, านมรรนานนุสติให้เกิดขึ้นเพราะถึงเดือนสิบหมายของชาวอินเดียเอาข้าวปลาอาหารไปกรงบนเดินเทนทึกทำบุญอุทิศให้กับคนตายฤดูสระถะเป็นฤดูชื่ชมเพลงมวลสุนักฤดูทำบุญแต่ข้าวหมูของชาวอินเดียหนึ่งเดือน ข้สาสงฆ์เจ้าระไม้ก่อนวัดมาอาราไม่มีใหญ่ใหญโซโตอยู่กันเล็กๆหยุดๆๆอดอยากอยากอาหารการกินก็อดยากบินกบาบคนใส่ให้ไม่มากยังทุกวันนี้พระแต่ก่อนนั่นทัง้งน้ำด่างเยวนี้เว้ยเป็นเทวดากันหมดแล้วค่ะใส่ให้น้อยยังไม่พอบางเหงียนมทําบุญล้อถวายร้อยหนึ่งไม่พอเขียนจดหมายไปถ่วงไม่สมควรต้องค่าร้อยว่าเขาเป็นน้าด้านพระพุทธเจ้าหรืว่มบังผู้ด่าด้าน พระอาร in ักษ์ชิงผู้ไร้อย่างอายทําชั่วยิ่งอันตรายยางใก้ทุสินหมดความหมายบวชชั่วเอาผาลึองหอมไว้ลบล้างปะปนนะเขาทําบุญนี่ไม่ได้เงินมากไม่พอใจนางงอเป็นจวักอยากได้เงินมากมากไปฝากธนาคารทุเล็กทุห้อยอะไรต่างๆนนี่มันผิดกันนะสมัยก่อนอดยากทําบุญก็ไม่มากอย่างนี้สมัยพุทธเจ้าพระสมองเจ้าก็หาดินดัอดยากดู พอทั้งมาดูสารถาเขาแจกข้าหมู่อาหารเยอะแยะแต่เขาไม่ได้เอาไปให้พระนะเขาไให้ผีกินกองอยู่ในป่าชาขนมนมเนยทั่วเนื้อว่าขนมชาวอินเดียน้ํำพึ่งน้ําอ้อยน้ํามันปลาเนื้อเอาไป ก, กองอันไม่ดีๆพ่อแม่ทอบพระทรงเจ้ า, จาเดินเดินไป เ, เดินมาอยู่ป่าชาเอเห็นอาหารดีๆกองอยู่หมามากินบัง้งตามากินบัง้งฝนตกน้ําไหลหนีบ้าง งดกินล้างพกกะระก็เลยเลือกเลือก เ, เอ๊ะตัวของเขาแบบนีเถอะนี่วันวนไปเรืนน่อยมาเคี่ยวเคี่ยวดูอันนี้ก็กินได้อันนี้ก็กินได้น้ําลายไหลลองดูเป็นไรองค์นึงก็กินองค์นี้ก็กินก็รอิ่มมื้อพี่มันมีแต่อาหาร ด, ดีเราไปไว้ให้พอให้แม่ให้ปีให้น้องเขาสราระขาพระกิน อ, อิ่มสบายๆต่อมานานๆเข้าชาวบ้านไม่พอใจเขาเข้าใจว่าพระนี่ไปแย่งกิน ไปย่างลุยยานพ่อแม่พี่น้องเขากินเป็ น, าาานออา ญ, ญาติผีเผดผีญาติญาติมองญาติลุยยานเขากินเขาเลยจอดขานถึงพระราชาฟ้องเราไปถึงพระพุทธเจ้าว่วสาสมณะสากยะบุตรคือลูกของพระพุทธเจา้านี่เป็นคนไม่ดีในงานไปลักขโมยเห็นม่อของสราระะที่เขาไปวเซ่นไหวไปบูชาเซ่นชงบวงบังแกข่าวในกระยาตผี่น้องก็าในป่าชา พาเราไปหาอยู่หากินเมื่อไปแย่งก็ไม่ได้ให้จนเองเท่าหน่อยอย่างนี้ถือว่ปเป็นขบับมวยไปฟ่องแล้วผู้ทีเจ้าฮันดินเนี่ยนั่นก็ไปชุมส่งก็เลยถามว่าพิสุทัิงหลายเธอต่งหลายไปกินหรือเปล่าในป่าชาองค์นั้นกบอกกินข้าวองค์นี้ก็กิกนข้าวผมก็กินองค์นั้นก็กินองค์นี้ก็กินเอาแล้ ว, ดวเดี๋ยนีท่เจ้าบอกพิสุทงหลาย การกระทำของพวกเธอไม่สมควรเลยไม่เป็นประโยชน์แบบเ ก, กลืุ้มแก่มนุษย์ทั้งหลายเลยไม่สมควรโดยแท้จากนี้ต่อไปเราไม่อนุญาตหาใครขืนไปกินของที่เขาไปเซิ้นโงดวงโดนนั่นเขายังไม่ได้ถวายไม่ประเคนให้ต่อมือแล้วตะปบอาบัดตาจิดที่นี่พูดถึงตรงนี้แหละทุกวันนี้พระจึงไม่สามารถกินอะไรได้ถ้าเยมไม่ประเคนคือวา แต่เมื่อต้นกัไม้สร้างกรุงโทพใหม่เมนประมาณเจ้อปีคนจีนมาอยู่เมืองไทยร ล, ยล้วโดยจะบังเล่ามีบ้านมีทองอะไรแล้วคนจีนวันนีถือแต่พุทธศาสนามาแต่พ่อแต่แม่ตั้งแต่พายกาเหลวงบุดที่นู่นตั้งแต่ประเใจนม่งตีอยู่งราชวงมหม่งหมดถึงก่อนจากนานาพุทธในประเทศไทยในวันนี้เลยสั้นนะ ว่าประเทศไทโบราณที่อยู่ศิลาทรงดูนานเฉชวนความสีนุน่ก็ยังไม่รับพทุทธศาสนาเนื้อย่างชาวจีนเนี่ยไม่ได้มาจากไหนเน่ยเป็นอย่างเนี้ยทีนี้ตอนนี้แกมาอยู่กรุงเทพแล้วก็มาอยู่ประเทศไทยแล้ววันนึงแกก็ทำบุญแตก็ไม่เข้าใจกพระดีคบพระไปนิมนต์พระด้วยบัางอ่ามุ่งจะทําบุญบ้างนะขึ้นไปจุดบ้างไปกินข้าวที่บ้างเลยนเออมุ่งจะได้มาถึงไปนิมนต์ มีแต่ใจว่าจะไปนิมนต์ผจมีเขาเป็นคนมั่นใจอย่างหนึ่งนะฉะนั้นพูดไทยอะไรไม่ชัดเขพูดเองเขาเป็นคนมั่นใจด้วยมุศฐานในตนเองอย่างนี้ถ้พพูดอะไรท่านก็บอกว่าดีเป็นอริยทรัพย์ละการมั่นใจในตนเองนี่ถ้ามึถามว่าเอากีโอมายอมแม่เอาแม่มองโลกวักเลย <c oughs> แกไปรูกแกรู้ว่าเอาแ ม, ม่มังโลกวักเลยอะไรก็ไป ไม่ก็งานที่ไปมีแกก่จัดอาหารหวานข่าวตอนว่าคมก็ไปสดไปสดปนี่แบางคนพอเช้ามาแกก่จัดอาหารหวานขา ว, า, วายตั้งท่าต่อหน้าพระเสร็จเรียบร้อยแจะยกมืกอขึ้นหวบอกกินหา ย, ยนะนี่มึงกินหายียเสร็จเรียรบร้อยเยวายอย่างเงี้ย ก, กินได้แล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วลพระก็นเพราะไม่ได้ประเคนพก็บอกว่าประเคนก็ก่อนที่โยม ประเข็ม ก, ก่อนพระจึงจะฉันได้ไปก็มองตาขวงเลยอาลายจะบอกปูเข็อาลายบอกประเขมส ก, ก่อนโยมยกให้พระส ก, ก่อนพระจึงจะกินได้ม่อทีท่่ขีเกยจชิคันเลยขนาอ้วนทาเสร็จจบว่ายี่เยี่ยวน่ังกินเองหมายลายจะต้องให้ยกให้อีกหรือี้เกียจตึ้งว่อย่างนี้เขาบอกขี้เกียจเลอันนี้เขาไม่รู้จักประเพณีเราก็ต้องให้อภัยเขา พระพุทธเจ้าเป็นต่อาบัติเฮเกิดที่ป่าใช่คเพราะว่าพาะไปกินของข้าของที่เขาเอาไปแจกข้าเอาไปทิ้งไม่ใหคนตายกินมี่ขนาดนั้นเองพระพุทธเจ้าท่นานก็มองเห็นความสูญเสียที่ไม่มีประโยชน์ท่านก็นเลยเริเ่มเทศแล้วก็บอกพระสมองเจ้าพระสรงองค์เจ้าก็มาติดินแต่ท่านปฏิเสธในชาวอินเดีดยโน่นสมัยนั้น เทศนี่เขาฟังว่าอาทาสิเมาตาสิเมะติมิตาตะข้าจะเมตุตงนันทะกินนังตะปาตุเพกะตามนุจรันมะฮ่ดุลังวาสุโกวายาวัญาปารเทวันนามต่างตัวินนามัทายาเอบังดิทันติยาตโลกอานจะโคทะกินนาทินนาจักมันบ่หยองบ่เด็บภาษาบาลีกอคนไมันั้นก็พูดภาษานี้เหมือนเราพูภาษาาภาษาไทยภาษาญี่ปุนทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ยนมือกัน ที่บอกว่าพระสเมกษเมยาติมิตาสคฆ่าจาเมบุมคนมาละลึกถึงอุปการละอันท่านเดชทาไว้แก่ตนในการก่อนแล้วอย่างนี้บอว่าเปิดานังทักษิ น, นษังทักษปุเพกาตะมนุสจรังท่านผู้นี้ได้ให้สิ่งเหล่านี้แก่เราท่านผู้นี้ได้ทากิจนี้เป็นของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนตน้นนิตวสหายของเราออกควรให้ทักษีนาทานเพื่อดุดีละโลกนี้ไปแล้ว นิฮิรุนลังวะโซโกวายาวัญยาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือการร่ำไห้รำพันธอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทําทีเดยวนะ่าตั้งเปะนะ็นนามัทายาภาวะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อญาติทั้งหลายผู้ดีละโลกนี้ไปแล้วเอวังสิอท่านดิยาเตโยญาติทั้งหลายย่อมตั้งมือกันั่นร้องไห้น้ําตาเป็นสายเลือดร้ อ, รองไห้น้ําตาหนองหนะ้ คนที่ตายเป็นยากกว่าเรื่งองนั้นท้กขกวรุกเองนั้นถ้ายก็ตาอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ไมี่วิวอะไรแก่กันเลยการร้องไห้หมอะยันจะโค้ทักนนชินนาทินนาทักชินนาทานนี้แหลอันท่านให้แลว้วสั้งคำสุปฏิทิตาประดิษไว้ดีแล้วต่อเ น, นื่องสมิงเมือนเดิมว่ า, มาตั้งมั่นถ้ถวายพระเนี่ ย, ยเรียว่าสันธรรมสุปฏิทิตาทีครระตังหิตายศยอมตอเลิประโยชน์เพื่อกูนแก่ผู้ที่ ละแก่โลกนี้ไปแล้วตลอดการฐานอุปกรรมปติตามฐานน่ะนั่นนั่นอันจะพึงได้พึงมีอย่างนั้นโสยาติธรรมโมจะอายังมิริตโิโตยาติธรรมนี้ท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้ววันนี้ท่านได้แสดงทึงความรักห่งหัองอะไรห่งใจอาบนเก็ดน้ำวนริตปีชั้นปีทำไหวํำนาหลังถูกฟ้าหนาสูนินปักตีนที่บาแบกหลังนูน คำาม่ไดยินคือเมื่มียู่ข้าวของแนวตาขึ้นบ้านแล้วก็เอาจิตเอาใจมันลอล้อมหลั่งออกมาเป็นวัตถุทานมาซื้อเป็นเงินเป็นทองเสีสละนั้นไปตากก่อนจึงกลายมาเป็นน้ําเงินจงกลายมาเป็นเจ้าของก็เลยเป็นรูปประธรรมึ้นมาดู ว, ว่าการแสดงอย่างนี้แสดงถึงความเป็นญาตคือโผผันกันเจอญาติธรมโายังมีรัตสิโตญาติธรรมนั้น ท่านได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนปรากฏแล้วเตลตาณปูชาจักรตาอูราลาเป็นการบูชาอันยิ่งท่านก็เลยทาแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วคําว่าบูชาบูชานี้เป็นภาษาบาลีภาสาบาลีแบบบูชาภาษาไทยว่าบูช า, า, า, า, ชาตัดหางต่อปลาออกเลยดใบ ไ, ป ไ, ปไม้กากมันยังบูชาบาดีเขาเจ้าบัดอกใหม่คันหาคันแปดกระเทือนดอกไม้ห า, หาคู่เทืยนหาคู่อลไรนั้ ยกใส่เก้าเขาเรื่อองเราเร บ, บูชาเบูชานี่เราแบไม่แปลภาษาไทยเราบูชาภาษาบาลีว่าปูชาทัศน์ความจริงคํนี้จะแปลายออกมาปเป็นภาษาอังกฤษจ้ความหมายภาษาอังกฤษคําว่าปูชาในภาษาบาลีภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอ C A t r A t a c t i o ารแดงออกนำพานเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลจึงของกิจกรรมนั้น เพราะนั้นปูเตตาหน้าปูชาจะกตาอูลาลาก็แปลว่าท่านได้เป็นผู้แสดงออกถึงคุณค่าของบุคคลบุญร่วมรับไปแล้วอย่างยิ่งใดโอฬารจึงแสดองออกมาปรูปประทาเป็นองบุญองคานอันนี้พลังจาพระครูนำมนุษยปิตนังกำลังเห่ผู้ทธศตั้งหลายชื่อว่าทําไป้เพิ่มให้แล้วเวย้ย หมายความว่า ท, ท่านได้เพิ่มกําลังให้แก่พระเติมเติมน้ำมันให้แก่พระสมมติว่าพระเป็นรถไม่มีน้ํามันโกหกไม่ได้คืไ ม, ไ, คไม่ได้กินข้าวท่านก็เลยถาวายทาดให้อย่างนี้เติมน้ำมันให้เมื่อพระมีกำลังอย่างเดินมา ก, ก็จะไปะทศน์ใน้ฟังอย่างนี้ประเพฤติปฏิบันไม่มีไรไม่มีเนะไม่ได้ทำมาหาให้กินกินข้าววันละครั้งกินวิ่งอย่างนี้แต่เพื่อจะเป็นประโยชน์เป็ น, ปนแสงป็ง น, งงนที่ส่องจุดส่องใจชาวบ้านให้รู้จักบาปบุญคุณทั่วโพลในฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นอย่างนี้ เมื่อว่าบุญชาธรรมใดขีดรรมพ่อใดเป็นตระหนีบตปตามสลังหงเห็นจองทางเหยีดโดมตุ้มหิ้งปุ่นยังประสงค์อนุประกันตุ้บุญไม่น้อยท่านเลวขวัญขวายแล้วท่านเลวขวัญขวายบุญไม่น้นย ปรสม บ, บุญไม่น้อยเอาละเป็นเพาว่าท่านใดบุญไปเหตุร้านประการนี้ พ, พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนอย่างนี้เมื่ออายัเดชโคตรยินาทิมาสังคมนสุปฏิทิตาเรื่อ ว, ว่าทักษิณาทานอันนี้งามท่านได้ปฏิทานตอนหน้าจงแลว้วโศยติธรรมโมจะอายนีทักษิตโตได้สแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าเป็นญาติพี่มองหงายอะไรอาวุธหลังน้ําจิตน้ำใจออกมาเป็นมงนเป็นทองเป็นข้าวเป็นของในวันนี้เนี่ย โดยนักดชาจตะกตาอุราลาได้แสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของผู้ที่ร่วมรับไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่โอลานพลัรังกพที่คุณนัมงบนปะทินนั้งพร้อมกันนั้นเดบเพิ่มกำลังแก้ี่้สในศาสปามีกำลังวงชาติภพพเมจันต่อไปเป็นแบบปยัแก่ชาวบ้านตรงนี้บุญยังประสบาประกันตีท่าเดควาควายบุญได้ประสบบุญไม่น้อยเลยทีนี้ถ้าจะถามว่ามันจะได้ไหลใที่ใดที่ทำมาอย่างน้อยทําจะได้เห็นสามอันนี้ ท่านไดสแสดงออกให้เห็นแล้วว่าเป็นพี่เป็นน้องท่านได้สแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จา ก, กคนข้าแล้วเสียเลยลำเวลาเจอเงินเจอทองแกพร้อมรับรูปเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วเดียเพิ่มกําลังให้แกถึงสู่อี้ปการนนหนึ่งขั้นโดประสบปุ่นไม่น้อยตัวท่านนี้ได้มาจากไหนตัวของเราได้มาจากพ่อจากแม่ม า, มาตาเต็ดิคาสันพาโวโอทนนกลุมมาสัปปะเจลูกเอ้ยสันผาบัดหักของพ่อของแมร่รวมกันจึนเกิดเป็นเรามะม่วงต้นนี้ล่วงลงมา เป็นเนื้เป็นต้นมะม่วงขึ้นมาตน้นต้นแม่มันตายไปตน้นลูกมันก็ยังอยู่แม่มันหวานลูกมันก็วานแม่มันส้มลูกมันก็สม้มต้นมะม่วงต้นเกิดไม่ได้ถ้าหากไม่มีแม่มันหล่นลงมาไอ้เมื่มันก็คือเม็ดมันที่รวมกันจากตัวของแม่ของมัน เรานี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็เกิดไม่ได้เมื่อเราเกิดมาก็คือการลรูนตัวกันระหว่างพ่อกับแม่ที่ว่ามาตาเตติกะสัมภาร โ, โอเทนากุมมาสปปะปเจยโยสัมภาวธาตของมารดากับบิดารวมกันข้าวจนเกิดเป็นเราเมื่อพ่อกับแม่รวมกันข้าวเกิดเป็นตัวเราเป็นคนเป็นตัวจําลองสูงรนรวมของพ่อกับแม่อยู่นี่ถ้าหันล้มหฮ้ยตายไป ท่านอยู่ที่ไหก็ท่านดีที่เราถ้าเราทํามีคิดดีพูดดีเราก็ดีใจสบายใจเกาะเนื้อเราอยู่บนสวรรค์บ้านหลังนี้เป็นประวันผัวเป็นเทวาแม่เป็นเทวี ล, ลูกเล่ยๆออกมาเป็นเทพทประมุขเทพพนิดาพูดจากันด้วยถ้อยคําคไพเราะอ่อนหวานเปลาาป่าฟ้านั้นมางทีสร้างบุญงามความดีร่วมกันมันสดชื่นแจ่มใสเหมือนดอกไม้บานยามเช้าเหมือนดอกคัดเข้าบานเย็นโดยนิ่งกว่าลิบคึบก็ได้ บ้านลังนี้เป็นสวรรค์นคนในบ้านเป็นเทวดาอย่างนี้เมื่อเราเป็นเทวดาคือเรามีความสุขแก่ก็มื่อพ่อแม่เราขึ้นสวรรค์เหมือนกันพราะพ่อแม่เราอยู่ในตัวเรานี่ไม่ได้ตายไปไหนท่านตายไปแต่ตัวส่วนหนึ่งเท่านั้นอีกส่วนหนึ่งมันเหลือรวมมาเป็นเรานี่ถ้าเราไปตีข้อม้าด่าแม่เจ๊ักเล็กข้ามวยน้อยรักใหญ่ข้ามวยโตป่นบ้านปุน่นเมือง ตีคุกตีตารางเราก็าตกนรกครั้งเป็นก่อนเหมือ น, นเอาพ่อเอาแม่ซึ่งอยู่ในตัวเรานี้ไปตกนรกด้วยนี่คือการตอบบุญแทนคุณอย่างเลือกซื้อยาวงานใครก็ทาได้ที่พระพุทธเจ้าประวัาิทันรวมแลแต่เราทําบุญอุทิศให้แก่ท่านเป็นโอกาสตัวท้ายที่ท่านตายไปแล้วแต่ตอนเป็นๆท่านเลี้เรามาแล้วเลี้ยงท่าตอบอันนี้ยังมองกันไม่เห็นเราทั้งหลายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถ้าหาเราไม่ไดึเลี้ยงท่าน ก็ออยังแสดงว่าไมา่ได้ตอบบุญแทนคุณท่านก่อมา้าตอบบุญแทนคุณช่วมที่ท่านไม่มีก็คือทํา บ, บุญอุเทศให้แก่ท่านนี้ท่านมีไม่ก็อยู่ในตัวเราเรมีการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นีเขาอยากจะฝากญาติดโยมทั้งหลายสักหน่อยไม่ใช่เลี้ยงเพียงกายเลี้ยงเพียงกายไม่พอจะมองเห็นง่ายมีอาหารของสอดกราบนวน ว, นวน่าพ่อแม่อยู่ใสถึงแม่จะออกเดือนออกชานแล้ว เดออาหารดีๆไปอยู่บ้านอื่นก็วิ่งไปหาพ่อหาแม่ตามลูกทีนี่คืออดพออ่ออแม่เล ย, เลยมักอย่างนี้เน่นี่งัวออกรูเอาน้ไปให้แม่กินเขคิดถึม่แม่เคยชอบ่อง่ เ, เงแม่เงพ่อทางทางตายบางคนไม่่อยลให้พี่ให้น้อง เ, ง, เองก็ไม่สนใจกาเรเงทงากานั้นก็คือเอาข้าวปลาอาหารเอาเครื่องนุ่งก็ ง, งไปให้ทนเจ็บไข้ได้วดูลรักษาทนยงใกล้ชิดอย่างนี้เป็นบุญกุศล แต่อีกประการนึ่งคือเรี่ยงทางจิตทางใจถ้าหากเราสามารถทําได้ก็ยิ่งจะเป็นการดีการเลี้ยงจิตเลี้ยงใจพ่อแม่เนี่ยสาคัญมากนักเลี้ยจิตเล้ยงใจยังไงอย่อยที่บุรุจกาบอกว่าเชื่อฟังคําสั่งสอนของท่านประพฤติโดยไม่ดำรงวงศ์ตระกูลของท่านคําคิดของท่านท่านใช่ี่มทายัางไงท่านสั่งให้ทํายังไงเราก็ทําตามนั้นเรื่ว่าเลี้ยงจิตเลี้ยงใจให้ทินชื่ออกชื่นใจ ถ้ากเราไม่ทําตามที่ท่านบอกท่านบอกอย่างนึงเราทําอย่างอย่างนี้เรียหว่าทําลายชีวิตจิตใจของพ่อของแม่เมื่อคนไปโกรเรียนสร้างกรรมเผาโลกให้เล่าร้อนพ่อแม่เดือดร้อนพุ่นวายไม่ลื้นจิตลื้นใจทําลายจิตใจพ่อแม่เหมือนดึงพ่อแม่ลงนาลก พ่อแม่คันหวังดีป่าถนาดีให้ลูกเป็นคนดีกับทำลายจิตใจของพ่อของแม่อย่างนี้ไม่ทําตามพ่อตามแม่ที่บอกมันก็เหมือนกับทําลายเอาไฟเผาหัวใจของพ่อของแม่บาปพอฝ่าเวทกัรมพอแผ่นนี้มันเป็นอย่างนี้บางคนทําลายจิตใจของพ่อของแม่นอกจากไม่เลี้ยงแล้วยังทํำลายเหมือนกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ทั้งเป็น ไปทีหัวมือด่าไม่เจ๊กลกกางเขโมยน้ยลักแก่ขโมยโตติดคุกติดตารางพ่อนั้นตามไปแม่ตามไปจะชั่วก็ลกูกจะเสือก็ลกูกจะเฉินจะชื่อก็ไม่ได้ใครๆเขาก็หว่านลูกเราหัวเร น, นบ้องไปเถกดของกวงกวงเนมาคันต่อมไปข่าข้อมังมังบ่อขี่สามหมื่นกระตายตายกระตายตา ย, ตา ย, ตายเหล่าเห็นอมเห น, าน่า ลูกทำชั่วมันไปคาวคอพ่อแม่หรือว่าขวัญร้บ้องไปถือทองกลวงางบอกคือคนไปรเรีนบาตรแต่มันมีความหมายปัญหาเสียวสวัสดิกวางกินมะขามต้อมไปข้าข้อมัง้งลูกทำอะไรไม่ดีไม่งานมันได้ติดขัดอยู่ที่พอที่แม่พ่อแม่จะต้องไปแก้ไปไขไปตีหัวมือตาแม่เจี๊เขา่าคุกเข่าตาล่างพ่อแม่ต้องตามไปแก้ไปไข ฆ่าข้อมังขั้นมังบุขี่สามหมึ่ก็ตายตายถ้าพ่อแม่ไม่เอาลูกไม่ดีตัดมันไปเขา้าเข้าไปคุกจะไปฆ่าที่ไหนก็ไปมันก็ตายจริงจงมังบุขี่สามหมึก่ก็ตายตายก็ตายตายเรื่อห้นอมมเนาน้ำ ชาตะกูนโยนตะกูลนามตะกุนเคี้ยไปหมดโว้ยเลยบางจุ่มบางสุ่มมันเนเลยบางเสือบางแท่งมันแน่เสือขี่ลักขีคุกขี่ตะล่างขึ้นยังนี่สุ่นนี่มันเคลี้ไปหมดเลยนี่เห็นไหมก็เรียกว่าทําร้ายจิตใจพ่อแม่ไม่ได้เลี้งจิตเลี้ใจยังเถีนงฆ่าพ่อแม่ให้ตายทั้งเป็นคนโ บ, บราณบอกว่าเต้าสิยขาทึบสิขาให้เอาเกรรข น, นุ่งตีเี่อันเดิมเราจะเอาบาลี่มาต่อยตีต่างขอนจะเอาหัวใจตีซีนาไม่นุ่นเมเนื่อ ดูนิ่ตีค่าพ่อแม่ทางกิจทางใจาบางคนโอ้ยพ่อแม่ต้องเอาไรเอาเนื้อไปจำนงจำนองเพื่อไทยถอลูก อ, ออกมาจากครกจากตารางเป็นหนี่เป็นจิ้นตารพัดตารพันพ่อแม่จนหมด เนื่อหมดตัวบางคนพ่อแม่มีทรัพย์สมบัติมรดกรักษาไว้ไม่คุ้มเราไปจม่งจำน้ำเก่าเศษสหกรณ์มาซื้อสิงที่เขอมาซื้อเหล็กซื้อหอยเหล่นการปันมันเหล่นมวยตู๋เหลนโอซันลับัดในที่จดหมดมันหมดฮอโมนมันทั้งกัะยาพ่อแม่ พ่อแม่มีนู่มัจ่จนก็นอยากให้ลูกทําลายหมดเงี้ยแสดงมาฆ่าพ่อข่าแม่ทั้งเป็นเห็นเวลาใดาน้ําตาไหลลูกเอ้ยพ่อแม่หามาไว้ไม่ทุกข์ให้ยากลูกคนเนื้อทุกงานลาบากต่างเมือ่อย่ากตัวหางมีดีใดบาลูกตัวหามาหาใจใจจีจาง ร, รักษาไหวบกุบเ น, นื้อลูกน้อร้องให้น้ําตาไหลกลางคืนขมขื่นขมขื่นในหัวใจแท้ ยังมีระบาขาพอขาดนี่ยูทันตัวไม่ได้เลี้ยงพ่อหรือนี่บางคนพูดจ้ากระโชกโขงอย่าเดีวาา่าจ่าเหล่าฟ้องเขอหน่งตาหลังรื่นทอฝ่าบุบบ่าทอฝ่ารื่องต่ำทอแผ่นดิ้นคำตากพอแม่นัน่งกตกนทารนี่ผู้ได้ยังเดียนหนบหักสีดีเมื่อนา พอเม่พูดอย่างนึงไปทำอย่างนึงผูจากระโชกหัห้างขัดใจน้าตาสองหนาไหลแต่อย่างนี้แล้วก็บาปนักบาปหนาะเราจะได้ลูกมาอย่างนี้จะมา เก็บนี้เก็บสินอีกแต่ m o n a r c h ไม่สามารถให้คนเอาเปรียบกันได้แต่ทั้งหลายสังเกตดูท่านท่านทำกับพ่อกับแม่ยันไม่พอเ ม, มี่ได้รับความเดือดร้อนจากคันอย่างไรลูกของท่านก็จะทำท่านอย่างนั้นบาปนี้กรรมนี้ตามคันตามบีบกด้เลยแท้ๆสำนวนแล้วบางว้บุญคุณของพ่อของแม่บางคนนั้นโอ้ยหน้าหนาวหนาว เช้ามาต้มน้ําร้อนอุ่นๆเอาผ้าชุดน้ําอุ่นน้ําร้อนไปประพรมไปคบไปนมไปหอมตามหน้าไก่ ต, าตีไก่ชนอุ่มไก่ชนต้มน้ำห้อนอาให้มันต้มน้าห่อนน้ําอุ่นเปะตามหน้าของมันแม่มันก็กลัวมันจะหนาวตายแม่พอหนาวสัง่งว่างดไม่สนใจจะหาผ้ามาให้ขม ตู้นี่มันรักไก่ตี้พักไก่ชนแพงไ ก, ห ก, ก่หักไกกว่าพอกว่าแ ม, ม่บางคนไก่ตีกันตู้ผีบุก ม, มันออกเลยถ้าอย่างนี้ตีข้าพแนม่ต่ําต้อยโดยเกินหนาโลกหนาหนาหนาวหาผ้าอุ่นๆหอมพ้มผ้านรวนๆมาให้พ่อแม่ข่มจะไม่ดีกว่าหรือดีกว่าต้มยำร้อนให้ไก่ไปอาบวัว อย่างร้อนๆหาหน้ำเย็นๆมาให้พ่อให้แม่อาบโอ้พ่อแม่อาบให้เราเป็นบุญบุญครั้งกว่าจะโตมาป้อนข้ามแม่ลูกี่หมื่นกี่แสนคำโดยอาหารดีนี้หน้าร้อนเดืนสีเดินห้าวันตรงการเอานื้อมาอาบให้พ่อให้แม่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้ท่าน เย็นบ่อพอเย็นบ่อแม่เอาเสื้อผ้ามาให้แม่เงยเข้าไปมีจิตในใจอาหารดีๆมาให้แม่ให้พอกินให้คอยป้อนเจ้านี้เจ้าป้อนข่อยเมื่อเป็นเมื่อเมื่อคำพอววไวแม่เอ๋ยคอยได้เป็นดักเป็นกำบ่าอยากให้ข่อยมีกำ ม, มีเวร น, น้ำตาหล่งไหลออกมาลุกคุณงามความดีตื้นปีติให้มันร้องให้เพราะคุณงามความดีตัวเองทําได้ไหม ทำไม่ได้ไไดทั้งี้ละอายบัดกินเหล่าละคองโคฟงตาขับบาทต้มไม้เป็นแท้บุญปีใหม่พู้ท่นกินเหล้ า, ล า, บบ า, า เ, เลาวลาน้นา หญิงลูกสามลูกสี่ฟ้อนเย่บเย่อเย่อเย่อ อ, อ, ออยู่กลางถน น, นส่วนตลบกบตลาดเสียงคนเบ่นฟั ง, งไมันบ่ไดนทาไม่ไม่หายโดยความชั่วร้างนั้นทําได้ดีกระเพาะกับนี้อไม่ได้บงังเมืออันนี้พวกเราอย่างไม่เข้าเจ้าไม่เลีเ้ยงจิตเลี้ยงใจยังทําทลายเข็ดฆ่าพ่อแม่พอเม่ทาให้เราเกิดมาได้เราไม่สามารถทําให้ทันเกิดได้แต่ถ้าเลี้ า, ามาเรานี้ท่านตอบได้ เราสามารถทําให้ท่านเกิดได้ทางใจไม่จะเกิดทางกายพระพุทธเจา้าเมื่อท่านตายจรู้แล้วท่านก็ได้ไโตดแม่ของท่านบนสวรรค์แล้วแม่เลี่ยงของท่านนางประชาบดีซึ่งแม่คิงคิงแม่ของท่านจริงๆท่านเกิดมาเจ็ดวันแม่ตายแต่ส่วนแม่เลี้ยงก็เลี้ยงท่านจนโตขึ้นางประชาบดีตอนหลังมานางประชาบดีเริ่มมาบือ่อเป็นพระอรหันต์ได้ฟังคมของท่าน หน้าประชาชนมาพู้ว่าท่านฆ่าต่อพระโล ก, กนาา่าเจ้าพระองค์เลยทรงดื่มอุรพาบาจากผันขมหม่อมฉันได้กินน้นํานมจากหม่อมฉันจนเจริญเติบโตหม่อมฉันได้เป็นพระมารดาของพระองค์โดยแท้แตอนหม่อมฉันก็ได้ทรงดื่มคำมะพาบาคืออมตะทำอันไม่รู้จักตายจากพระโอษฐ์ของพระสาตประดาพระโล ก, กน่าเจ้า จ, าจึงเป็นพระมารดาขมหม่อมฉัน โดยทาแท้ๆนั่นเห็นไหมสองคนนี้เป็นแม่กันแม่คนหนึ่งคือนางประชาบดีเป็นแม่พระพุทธเจ้าได้เอานมจากอกนี่นมจากเต้ากันเลือกจากอกให้พระพุทธเจ้าเราฉันเราดูดดึงบรรดาหันยังไม่จัดทลลกจนใหญ่จนโตเป็นแม่เลี้ยงแต่ตอนหลังมาพระพุทธเจ้าเท่ให้ฟัง อันเด็ฟังเท่ของพุทธเจ้าของเราแน้วแต่พืดปฏิบัติเรเป็นพราะอละขันโดยดูอามตะทาราน้ำแห่งความไม่รู้จักตายคือน้ำแห่งคำจากพุทธเจ้าพระโลกกันาเจ้าจเป็นเหมือนดาห้อหม่อมฉันเดยที่เห็นไหมละ่ะเตือนกันเป็นนี่ อย่างนี้เลูกก็แอบแหงลคนอย่างสาสมภาษ า, ารีบทรากเลือดอาเจียนจะตายตะเกียร ต, ตะกายไปจนถึงบ้านแม่พเพราะแม่ถือสาสนะอื่นทํำยังไงก็ไม่กลับใจวันจะตายท่านตะเกียร ต, ตะกายไปหาแม่แม่เห็นลูกลูกจะมาสึกอ้อลูกมาแล้วก็ดีแต่เห็นลูกว่ากลือดอาเจียนบอกว่าหม่อมฉันอาภัมบว่าอาจจะมาอาพาธหนักคงจะต้องตายในวันนี้ ก็ขอให้ตายอยู่ในห้องเปิดอยู่ใกล้กับแม่แม่ก็ดีใจลูกจะตายก็ยังดีใจนะแม่กับลูกมันดีใจกันขึ้นบ้านขอร่าอาเจียนตอนหัวข่าเท้าเจตุโลกบาลทั้งสีมาแต่มารักษาุสว่างสวัยไปหมดเลยด้วยอนุภาพลิเดชพระชายีิบุบอกนี้ไปนี้ไปไม่จ้องเขามาไต่มาบวชไววเรามีหมอดีอยู่แล้วนี่แม่ของเราเนี่ยเป็นหมอหาเจตุโลกบาลกไป กั้นขึนมาหน่อยพระอินมามือมือในหน่มาสว่างไปหมดเลยเหมือนไฟฟ้าเป็นหมื่นหมืนจะมาขอรับใช้มากับพระไซนบุบอกจากไปจากไปไม่ต้องเข้ามาบนมาเรียนมาเร่งเรามีหมอดีแล้วใครเป็นหมอนู่นแม่ของฉันมาใกล้ใกล้กว่านี้พระอินจากไปเดินลงมาข้ามาหาคมมาเอกโเหมือนไฟฟ้าเป็นสิบแสนโวลตนสิบแสนวัตต์สว่างไปหมดเลยพระไซนบุตอะไร่หนี วอกว่าเรามีหมอดีแล้วนี่หมอเราคือแม่แม่ของเรานี้เป็นหมอที่ดีที่สุดอาดมาจำได้ตอนเด็กๆไข่หนาว้อนอยู่กับ <Hey, now. S 1> พี่สาวแม่ไปซ้อนปุ้งซ้อนถีวอยู่ดีเ ท, ท่าไหร่ท่าพ่อแม่มาถึงยังไม่ขึ้นบันไดพี่สาวรู่งงรับ ดูห้องดูกระตาเมีถามมันนอกนอกี่เป็นจังไหร่ไขอยู่บอกํากลังค่้ยขึ้นอย่ม้าดูยืนเปลือกเมื่พูดมันเฮิร์ไปตั้งครึ่งเสียงแม่มันเป็นยาจัไหนนร่แล้วเราจึงจจืใจดํากันเหลืยกันภาษาวิบทูท่านพูดอย่างนี้ในที่สุดมมแม่ก็แปลกใจว่าลกูกใครมาสว่างสวยไปหมดในหัวข่ํานั้นแม่บอกว่าเท้ามหาเท้าเจตุโลกกับบาลโอ้ลกูกเกบโลกเจตุโลกบาสโอ้ยเจตุโลกกบาสเนี่ย เป็นเด็กรับใช้ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูของของขอ ง, ของของลูกเองตอนเที่ยืนใครมาลำสว่างสวายิ่งกว่าเก่าอีอันนี้พระอินโอ้ลูกกิงกว่าพระอินแต่พระอินนี่เป็นสังตลีไม่น้อยของพระพุทธเจ้าและตอนสว่างนี้แม้เหมือนกลางวันไปหมดเลยไม่เคยพบก็เห็นนั้นไายสี่สี่คนนั้นนั้นเท้ามหาพล โอ้โหโมกินขนาดนั้นหรือมหาพรมมันเป็นเมญน้อยรับเช้าไปพูดฤติเจ้าึ่งเป็นครูของลูกว่าท่านี้เองแ ม, กงม่ก็รลื่อมใสก้มลงกราบลูกโอ้ครูของเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกแทๆ้ๆเมื่ตัวเจ้าเองครูเป็นติ๋ก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใ น, เ, นเมื่อแม่มีปีติปาโมทเทื่อมไสลูกก็สแสดงธรรมแม่ก็มีสมาธิโดยปีติปาโมท ต, ตั้งใจฟังบั้ลูกโศดาบั้นลูกโอ้ ทำไมไม่แสดองให้แม่ฟังตั้งนานปล่อยให้แม่โง่มานานแม่บรรลุทำเป็นโสดาบารรลุสิ้นใจตายหรือว่าปตีตุทธกาจนสิ้นใจเพื่อตอบบุญแทนคนุณคนโบราณเอาลูกน้อยนอนเปรมแ ห, หลูกน้อยนอนซาละรับตาเมตทีกรมครัมเพลงแม่โอ้ยแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาปลา ม, มาปลอดแม่เรียมหมอ เขาป่าสวดมนต์เด้ออ่อนซ่อนมันลุกมันตื่หลูกหน่อยหอายงอนไปกระบองเสียนต้องก้องขีงเดียวไจแม่เลี่ยงลูกหน่อยแม่เมื่อยมันซ่นาพ่ออยากป่าลูกหัวไปบวชพ่อไปแต่ละคาก้องเฮไปอลยเอยเจ้าใหญ่มากหันเป็นนิ่งเห็เออจ้าไปรียไหวแม่เด้อ ขันเป็นช่าย่เจาไปบวชโ ด, ดยมีบวดไมด่สินในธรรมใดจำเนื่อคุณพ่อคุณแม่พอ่อเดเกลื่อนเกล่นประบัติืงนสลารับตาเมติกรมขําพลงเมนิเอออือย่างนี้ก่อนลูกหวังให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่ต่อมาได้บวชจะได้ตอบบุญแทนคุณจะได้จูงพ่อจูงแม่ขึ้นจากนรกสู่สวรรค์ อย่างภาษารีบุดตูงอย่างพระพุทธเจ้าตูงให้พ่อหาแม่โตดใหม่ให้พ่อหายแม่กลับหางกับหัตัดชั่วหายเป็นดีเกิดทางจิตทางใจพอเล่นการพนันแม่เหล่นการพนันกินเหล้าเมายาพ่อแม่เป็นคนชั่วช้าตามันลูกศึกษาทำกรรมต่างสอมาสอนพ่อสอนแม่เปลี่ยนคิดเปลี่ยนใจจากคนชั่วเป็นคนดีตายจากคนชั่วตายมาเป็นคนดีอย่างนี้หรือว่าเป็นเม่กันได้ทางจิตทางใจเปลี่ยนกันเป็น ก็ที่ว่าตอบบุญแทนคุณปัญหาสมเด็นมันไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นไ ม, ม่ใครคิดอยากแก้ปวดบวมมากกว่าทำลายสารต้นรื้อแม่ซึ่งฟ้าแม่ปางพุทธแม่ปฏิบัติบาตรกลุ็ไปอีกตกนรกมันอีกนักก็ไปอีกนีมันเป็นอย่างนี้บุญคุณของพ่อของแม่นั้นจึงสําคัญมากนะักลูกเต้าเทลายต้องคิดว่าเราได้มาจากพ่อจากแม่มีการกระทาอย่างนี้จึงถูกถึงต่อเมื่อพุตรเจ้าหันสอน ว่าให้ทําบุญกันยอย่างนี้ชาวอินเดียก็เปลี่ยนใจเลิกเลิกเลิกเอาข้าวเอ า, าเปลาไปทิ้งกองขันเดินเดินทุกข้ในภูเขาที่พระุทธเจ้าบอกว่าสังคคมิสุปฏิทิตาทิคารตังหิตายสถานอโศภกรรมปติโสญาติธมโมจะาย่างนี้ทัตติโตเปตานังปูชาจักรตาอุรลล า, ลาพลันจา่าภิกุนันมนุปปะทินังกุมเฮหิปุญยังประสุตังอาณาตักันติ บอกว่าทักษีนาทานที่ท่านได้ตั้งไว้ตอนหน้าปฏิบัติดีต่อนหน้าสงแล้วอย่อมเป็นการกระทําดีสมควรแล้วฐา น, นะอันจะได้เป็นประโยชน์อันยาวนานแกผู้ที่หลวงรับไปแล้วนั้นด้วยเหตุฐา น, นะอันจะปุนี้ญาติธรรมนั้นท่านได้แสดงออกให้ปรากฏแล้วการบูชาอันยิ่งใหญ่โอฬารท่านก็ได้กระทำแ้วแก่ญาติาทางร้ายที่บุละโลกนี้ไปแล้วกาลังแห่งพิสุธร้ายชื่อว่าท่านทางร้ายได้เพิ่มให้แล้วด้วยบุญไม่น้อยท่านได้ขวนขวายท่านได้ประสบบุญไม่น้อยเลย นี่ภาษาไทยว่าอย่างนี้เราก็พูดกันแต่ภาษาบาลีลาาลไม่รู้เรื่องม้วนคนตาบอดจูงคนตาบอดจัก๊กสิลมคอนหลอดบนนั้ น, น่เาชักในที่สุดเขาก็เปลี่ยนใจเลิกเอาข้าไปทิ้งไว้ในนั้นก็เลิ่มมาทําบุญใส่บาตอาจะมาเดินทุ่มผ่านหมู่บ้านชาวสาสนาคลิปเห็งหนึ่งไปถามชาวบ้านว่าทางนี้ไปไหนจะไปไหนเขานั่เรวมพนมมือเอ๊แปลกใจ เป่แกว่าธนชาวสะอาดแต่นั้นคิดอ่อนน้อมขอ่อมตรงนี้มากยิ่งกว่าชาวบ้านแป่นดินทําเป็นดินทองออมโพรบานนอนว่าบานหมู่บ้านในตั้งเอาป้ายเธอเล่ดโดยหกับบึงเวลาไปถามนอนพูดกับพระมันเย่ยที่สุดเลยที่ไปเห็นชาวคิดกันไม่หดังนี้ต่หลังมาหาหมก็ได้ข่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านนี้ที่ถึงคิดกันหมดบ้างเป็นนอนหลับไปโผล่ตาตายไปนานแล้ววันหนึ่งตัวฝันเห็นผัวกแกมา พร้อมกะหล่องกาแล่นน้าตาดูสูบสึกไปหมดมีแต่หนังคมกระดูกมีน้ำตาไหลออกมาจากตาผมเป็นกระเซงกระเซงมาโอี่จะเป็นเจ้าเจิดเ จ, เ จ, เ จ, เจดใจดำนู้นวันนั้นของเี้ยวเหยดเท่าสามเมื่อนํากันตามบ่ไห้ข่อยเน้ะไห้ข่อยอยู่คอยกินทั้งบนทั้งทาก่อยใหนื่อยอยเอื้อคอยยากคอยทุกข์คอ ย, อยางาเนีู่เบอกว่าทําไมอย่างนั้นเรา คอยก็ไปวัดอยู่เรื่อยวันชบาโตวันฮอลีเดวันคือสมาดวันอิตเตอร์คอยก็ไปอยู่เรื่อยสร้างมาปุริทธิ์เนี่ยผัวบอกว่าคอยปุริทธิ์เนี่ยมันให้เจบไปหาเนียคู่วังเหลืองผลเด้อไปทําบุญกับผู้งหนึ่อยจังสีได้คำกล่าวนี้หันเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เขาลองห้ฟังผูวยิ่งกวนี้ตื่นขึ้นมาก็ตกใจคิดถึงผัวแต่ไม่กล้าจะไปให้เพื่อนรู้เพราะเป็นศาสนาโลกันนี่อยากอายกัน ก็นั่งรถไปไปที่อืโนน่นไปพันรนานู่นเหนือก็ไปซื้ออาหารบ้านขาวเสื้อผ้าอะไรต่างๆของที่เป็นของชายของสอวไปถวายพระในคืนต่อมาก็ฝันเองพว่มาอวดรว่นสมบูรณ์จำใส่ดบกางนะเออข่อยได้แล้ววะสัสใ น, นสิ่งที่เจ้าไข่เจ้ท่านไปแล้วนั้นเห้หา่อยจังสิน่ยไหม แต่ก็ทําบุญบ่อยๆต่อมาบ้านคนอื่นครอบครัวอื่นก็ฝันอย่างเดียวกันในศาสนาเดียวกันทบุญอย่างเดียวกันหนักๆเขาก็ากเลยรู้จักทาบุญรู้จักไปเรียนเทียนรู้จักไปฟังเทศแลักษณะเช่นนี้ก็เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นกันทิ้ย์พันเอกเสนตายไปแล้วหลับเหม่ฟังมีการทําบุญนั้นมันเป็นอย่างนี้ขันตราทุชนึงหลายเราไม่สามารถจะรู้ว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไปที่ไหน เหมือ น, นคนเป็นเป็นจากเราไปผัวจากเมียไปเมียจากผัวไปลูกจากพ่อจากแม่ไปอยู่กรุงเทพไปอยูอ่ต่างจังหวัดไปอยู่เมืองนองเมืองนอกผู้ที่จากไปยกมรู้จากผู้ที่อยู่เบื้องหลังว่ากำลังเป็นอยู่อย่างไรป่านนี้พ่อแม่คงไปไร่เป็นนาป่านนี้พ่อเมียคงไปวัดป่านนี้ลูกเมียคงตื่นแล้วป่านนี้บ้านเราคงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น แต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่สามารถจะรู้คิดอย่างไรก็ไม่รู้เพราะไม่เคยไปพบไม่เคยไปเห็นคิดตนตายก็ไม่ออกฉันโดยเรายังไม่เคยตายเรายังไม่รู้จักปาราโลกแล้วก็คิดอย่างนี้อย่างนี้มันก็คิดไม่ออกบางคนโมเมไปส่งเลยว่าชาติหน้าบ่ียตายตาแล้วก่อนแล้วไปชาตินี้ให้มันได้กินเบตโนกสนานคนชนนี้ประพฤติทาิ迦ธว่ามีโรคหน้าอันปล่อยสลาวิตินนะปะโรโกผู้มีโรคหน้าอันปล่อยสลา เป็นผู้ปล่อยโลห์หน้าไม่มีโลห์หน้าหรืวิตินนะปะระโลกโกวิสทะปะระ โ, โอโกมโลกหน้าอันปล่อยะและ้วไม่เชื่อว่ามีโลห์หน้าวิสถะสมาจารโหเขาจะปล่อยมารายาทไม่รับจุดเขาจะรับแต่ชอบอันไหนชอบใจเขาจะทําอันไหนไม่ชอบใจเขาไม่ทําคนอื่นจะเดือดร้อนผิดทั่อะไรฉั่งว่ามันขอให้เราได้เป็นกระหน้าคตโกงเอาให้เอาเปรียบได้หน้าที่ปาปังอาการยางคนเช่นนี้จะไม่ทําบาปทําชั่วไม่มี เสร็้ท่านบอกว่าไงรู้ไหมถ้าบอกว่าเมื่อเวลาตายแล้วจะต้องไปบังเกิดในนรกทุกขติมิบากายัสะเพทังปรมรณาทุกข ต, ตุงโลกันนิมิปายมิมิปาตังนิระยังนี่ทุกขตุงโลกังอุปชัตติเมื่อแต่กายทําลายขังเขาจะไปบงังตัวในทุคติในวินบากในนรกเดือดร้อนเนี่ย แต่พวกเราบางคนคิดอย่างนั้นว่าชาติหน้าไม่มีเอาล่ะถ้าคิดว่าชาติหน้าไม่มีมาพิจรนานรณาดูว่าเปลียดเทียบกันให้ชัดเจนลงไปเพื่อจะได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ดัง่งเพราะเราไม่มีเครื่องมืออย่างอื่นที่เราจะเข้าใจเรื่องชาตินี้ชาติหน้าสมมติว่าจะมีใครคนหนึ่งมาถามเราว่าพรุ่งนี้มีไหมเราจะตอบเขาว่าอย่างไรเราก็จะบอกว่าพรุ่งนี้มี แต่ถ้าจะถามว่าพรุ่งนี้มีคนรู้ได้ยังไงในเมื่อพรุ่งนี้ยังไม่ไม่มาถึงไหนแล้วพรุ่งนี้อยู่ไหนเขาก็จะบอกว่าพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้จะรู้ว่าพร no, right. you know ุ่งน wow ี้มีได้ยังไงเพราะฉะนั้แปลว่าวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉนั้นพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ที่เราจะไปถึงเมื่อวันพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ยังมีพรุ่งนี้ ก็ผ่านมาแล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่มาไม่ถึงแต่เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้ในวันปัจจุบันแต่ปัจจุบันนี้ก็มาจากอดีตและปัจจุบันนี้ก็จะกลายไปสู่อนาคตอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตก็จะผ่านไปผ่านไปเราควรจะตือนเพื่ออย่างนี้ในเมื่อเรา ย, ยังไม่สามารถที่จะต่อพ่อกําหนดอว่าชาติหน้ามีก็ควรจะมองอะไรงี้ยอุปมาอุปไมยนี้ของที่จะต้องเห็นด้วยตา เราจะเอาหูมาฟังมีอีกห้าร้อหูก็าฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องเอาตามา ด, ดูถ้าตาบอดไปแล้วหูวไม่สามารถจะฟังเห็นสิ่งที่จะทำฟังด้วยหูจะเอามาดูด้วยตามีอีกห้าหมื่นต า, ก, าก็ไม่สามารถจะฟังเสียงรู้ท่าของหม้กไปแล้วทันใดในเรื่องโลกมีรลกหน้าก็ต้องอาศัยอีกมุติหนึ่งหนึ่งก็คือการทําเจุดให้เป็นสมาธิและอียดมื่อดำดึงลงไป หลังแก้มจะโน้มน้ํา เ, เจ็ดไปเรื่องเหนี้มีเกิดไปหมดในพระต่ายปีดอกรองไปอ่านดูพระต่ยปีดอกเริ่มที่เก้าพระต่ปีดอกสี่จุดห้าเล่มไปเปิดเร่มที่เก้าเริ่มเดียวก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องเหล่านี้ถ้าไปเปิดเริ่มที่สิบท่านก็จะเห็นอีกพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างเรื่องพระเจ้าแผ่นดินองคหนึ่งที่ท่านเข้าเจ้าว่าชาญนิชาญอย่าไม่มีนั่น ก็ไปเจอลูกศิษย์ของผู้ไดเจ้าชื่อว่าพักกุมารลัปปกษัตริท่านพยายามสอนเปิดเผยฟังตจนในที่สุดก็ทั้งยอมรับกันละ่ะเข้าใจกันเนี่ยเ้าเราลังคิดโดอยู่ในเรื่องที่เจ็โสุดท้ายอืมท่านจะเห็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากเราไม่สามารถทําให้เจ็ดเป็นสมาธิเห็นได้ไม่มีเจ็ดเป็นสมาธิถึงขนาดว่ามีอภินงดงอภิาก็มีอีกท้ายหนึ่งก็คือลองตายดูก็แล้วกัน ไม่ได้เห็นที่นี่ก็ไม่เคยอยากลองเพราะบายแล้วมันก็เสร็จไม่มีใครก็บอกกับไม่มี